พระบัญญัติหกร้อยสีสิบสองก็เครือัดชายหรือเครือัดหญิงผู้ไม่ใช่ญาติสั่งช่างหูกให้ทอจีวรเจาะจงภิกษุถ้าภิกษุนั้นเขาไม่ได้ปรณาไว้ก่อนเข้าไปหาช่างหูกแล้วกาหนดชนิดจีวรในสานักของเขาว่าท่านจีวรผพืนนี้เขาให้ทอเจาะจงอัตมาท่านจงทาให้ยาวท่านจงทำให้กว้างให้เนื้อแน่นขึงให้ดี ทอให้ดีสร่างให้ดีและกรีดให้ดีเอาเถอะอตมาจะให้ของเล็กน้อยเป็นรางวัลแก่ท่านท่านกล่าวอย่างนี้แล้วถ้าภิกษุนั้นให้ของเล็กน้อยเป็นรางวัลโดยที่สุดแม้แต่อาหารบิณฑบาตต้องอบัตินิสกิยาปาจิตตีเรื่องพระอุปนันธสักยบุตรจบ